أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكل أمة جعلنا من سكانه ناسك ุ لكل أمة جعلنا من س ك ا ن ناسك فلا ينزعنك في الأمر ودع إلى, إلى ربك إنك ل ع ل ى م دم مستقيم إنك ع ل دم مستقيم ا د ل و ف ق ل الله أعلم بما تعملون. ا ل ل م ا ل ا اللهم اغفر لنا. ا ل ل ه يحكم بينكم يوم القيامة. ا ل ل ه يحكم بينهم يوم القيامة. ك ن ت ُ م ْ فِيهِ تَخْتَالِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ا ل س َّ م َ ا ء َ وَالْأَرْضِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ا ل س َّ م َ ا ء وَالْأَرْضِ إن ِ ذلك ََ في كتاب ِ إن ذلك على الله يسير إن ذلك ََ على الله يسير ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصيب وما للظالمين من نصيب.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 ا l l a h u m m a ب i k a a s b a h n ي wabika amsayna, wabika n a h y ن w a b i أعوذ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ تَمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خ َ ل َ ق بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا ي َ د ْ ر ُ م َ ع ا س م ِ ه ِ ش َ ي ٌْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا ء ا ِ وَهُوَ س م ي ع ا ل ع َ ل ي م ر ض ِ ي ُ ب ا ل ل ه ر َ ب و ب ا ل إ ِ س ل ا م د ي ن วบีมุ a m m ا ل و ب َ ر َ ك َ ا ت ُ ه ُพี่น้องที่ร่วมนมาศุบหรือฟ a j r นะครับมีอยู่สองชื่อเรียกฟ a ก็ได้หรือว่าุบุบนะครับขอบคุณ a l l ه และที่เรา a l l a ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมา มาตื er to the ่นข ah ึ้นมาแล้วสำหรับ ah ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องโยงกับอัลลอ์ต้องเชื่อมโยงกับอัลลอ์ทุกขั้นตอนก่อนนอนก็อโยงกับอัลลอฮ์ทุก้กล่าวว่างนะบิสมิลละหุมะอะมุตุวะอัฮยาพอตื่นนอนก่อโยงกับอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัฮยานะบัดดามะอามะตานะวาอิลัยฮินุสูเราต้องโยงกับอัลลอ์ทุกขั้นตอน แล้วก็นบีก็อธิบายชัดอธิบายบอกว่าตอนนอนเนี่ยชัยตอนมันจะผูกปมกี่ปมนะสามปมแระวชัวยตอนมาบอกว่านอนให้อิ่มนอนให้ยาวทีนี้เวลาตื่นนอนเนี่ยบนที่นอนเนี่ยให้นึกถึงอลัลลอฮ์ก่อนปมที่หนึ่งก็จะถูกแก้ โดยดูอาของอัลลอฮ์ที่ท่านนาบีสอนข้าวของน้ําของอาบน้ําน้ำอาบเนี่ยเรอ่านบิสมิลลาห์ใช่ไหมและปมที่สองหลุดและอีกปมหนึ่งปมที่สามเมื่อเข้าเสื้อนำ้ำอาบตักเบลอัลลอฮุอัยบดุลปมที่สามถึงจะหลุดนีความเมตตาของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ส่งนบีมามาอธิบายเรื่องอย่างนี้แหละเรื่องง่ายๆเรื่องเกี่ยวชีวิตกับประจําวันของเราทั้งหมด ดังนันเราต้องโยงกับอัลล์ทุกขั้นตอนจะออกจากบ้านกเหมือนกันบิสมิลลาฮิละัลลอฮิวลาลวะลาอิลลาบิลลา์อกับอัลล์จะขึ้นรถสุบฮานลีซัคละะละนะฮะตะวะมะคุณะละหูมุคลินินว่อินนาอิลลรบบนลมุงกลบยกับอัลล์พอมาถึงมัสยิดจะเข้ามัสยิด อัลลอฮุมมัฟตาฮีอบบาบาระฮ์มติกะแล้วก็เท้าด้วยเข้าด้วยเท้ า, วาขวาโยงอัลลอฮ์ทั้งหมดฉะนั้นชีวิตของใครก็ตามถ้าโยงกับอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่ารอม บ, บานียินคนคนนี้แหละมีเป็นชีวิตที่อัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีแต่อะไรนะ่ะอัจฉยะอัลลอฮ์มีชีวิตชีวากระตือรือร้นอยู่อยู่ตลอดเวลานะครับ ขอบคุณอัลลอ์สุบฮานหูตาลาที่เราได้ที่อัลลอ์ให้โอกาสเรามานั่งในมัสยิดของอัลลอฮ์เนี่ยมาเรียนตับซีกุรานเนี่ยปีนี้ปีที่ยี่สิบสองแล้วทำดูดีๆไปน้องเราจะรักษาอามันชิซอละแบบนี้จนกว่าจะตายนะ <c oughs> ก็ามาถึงอายาสุรที่ยี่สิบสองเหมือนกันสรุปแล้วแบปีละีละสุร <c oughs> อัลฮัมดุลิลลาฮฺพี่น้องถามว่าท้อไหมไม่ท้อครับวันนี้มาถึงอายาที่หกสิบเจ็ดนะครับอายาที่หกหสิบหกเนี่ยพี่น้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยถ้าใคากได้ความรู้นะต้องอัดอเลอาะอธิบายไปกระพีกูรณานบอกเราอ่า น, า น, านภาพเราได้ความรู้ว่าไงนะคนนี่นะเกิดกี่ครั้งนะเกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้ง นี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่านกักพิีกรุงอนเราคิดเองไม่ออกครับตายครั้งแร ก, กอตอนที่เราอยู่ในโลกแห่งวิญญาณนั่นน่ะเขาเรียกว่าตายตอนอยู่ในโลกแห่งวิญญาณเนี่ยเราทําสัญญาสนธิสัญญาฉบับใหญ่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียกวิญญาณทั้งหมดวิญญาณดวงแรกถึงวิญญาณดวงสุดท้ายก่อนวันเตียมะอัลลอฮ์เรียกประชุม สุดนะครับพี่กุ้อานนี่แหละช่วยน้องอัลลอ์ถามบรรดาวิญญาณทั้งหมดบอกว่าอัลลัสตูบีรอบบีกุฉันนี้ไม่ใช่เป็นพระผู้อภิบาลของพวกท่านใช่ไหมวิญญาณทุกดวงนี่ตอบเหมือนกันนะบอกว่าบาลาใช่อัลล์เนี่ยเป็นพระผู้อภิบาลของเราเพราะเห็นอันลลอฮ์ครับแต่เรารู้ตัวไหมเราไม่รู้ครับ แต่อัลอเล่าให้เราฟังว่าสัญญาฉบับแรกที่เราทำสัญญาก็อัลลอฮ์ยอมรับว่าอัลลอฮ์นี่มีเดี๋ยวนี้วิญญาณขเราเนี่ยมาอยู่ในร่างของเราเพราะมาอยู่ในร่างเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้เห็นอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้วัตถุใ ห, หม้มาแทนะเคขาจะมีสาบับมีอัศบับอ้าวจะเดินทางไปไปเวียดนามทำไงก็นั่งเครื่องบินไปไม่เอัลลอฮ์ก็ได้ใช่หรือไม่ใช่ กลับมาก็กลับเครื่องบินไม่เอาอัลลอฮ์ก็ได้แต่ที่ไหนได้เบ like ื้องหลังก็คืออัลลอฮ์สุภาณหูอัลอาลาเจนั้นคนที่เข้าใจอิสลามเนี่ยจะขึ้นยังบินว่าไงครับต้องอ่านดูอาสุภาณละดิซักรอลาฮะจะว่ามาคุณละหูมกรีนีนว่าอินนาฮิลาโรบินาละมุงกอรีบูเราเรารู้ว่าเนี่ยอัลลอฮ์อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเดี๋ยววิญญาณออกจากร่างพอออกจากร่างป้า วิญญาณตายไหมไม่ตายครับแต่ร่างสิถูกฝังอยู่ในดินเนา่าเปื่อยแต่วิญญาณไม่เปื่อยไม่เนา่าอยู่ที่ไยู่และอัลลัมบันรักเมื่อวานมีคนถามมาว่าโทรศัพท์มาถามมาว่าวิญญาณจะกลับมาเที่ยวบ้านคืนวันศุกร์ไหมถามท่านเรามาเดี๋ยวไม่มาวิญญาณมาเที่ยวไหมไม่มาครับ นี่ถ้าไม่อ่านจากคุณอ่านเราไม่รู้แลว้ววิญญาณกลับหรือไม่กลับแต่อัลลอฮ์เล่านับุญกุ่อ่านว่าว่ามิววารออีหิมบาดะคุนอีละอายุมียูบาสูนพอวิญญาณออกจากร่างไปแล้ววิญญาณนั้นไปอยู่ในอลัมบัดก จ, จนรอจนกว่าจะถึงวันเตียมาไม่กลับครับไม่กลับให้พี่น้องแค่นั้นเนี่ยเาเนี่ยถูกหลอก ถูกหลอกเยื่แล้วก็เชื่อคนก็ง่ายด้วยนะพออ้างอ่ะไอ้คนพูดอนะ่ะจะใส่มวกผู้สระบัณฑ์น่าเชื่ออยู่แล้วเน่ยว่าเวียนญาณกลับมาเยี่ยมท่านนะชาะคืนวันศุกร์ต้นทําคนมขนมต้อนรับเลี้ยงใครก็เลี้ยงคนยุฟไอ้ค น, อไอคนพู้สละบัณฑ์นั่นแหละเป็น้องถูกลอกทั้งหมดเลยถ้าเทาวิญญาณมามาเพื่ออะไรเอามาทําอะไร ไม่มาครับแค่นั้นมีหน้าที่อย่างเดียวลูกขอดุอาให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วลูกแบบไหนครับวาเลดุนซอเลหุนยดาดอหูลาหูลูกที่ซอแล้ววิญญาณอยู่ในอลัลลมบาาัราขออุทิศให้ถึงพ่อแม่ที่นอนอยู่ในกุโบลเลยจะได้ถามว่าลูกเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นลูกอยู่ไหมเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เราเป็นลูกที่ซอแล้วหรือยังต้องเช็คตรงนี้เราก็มันแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพื่องให้ ขอดูอาแล้วเอาล้อพึงพอใจนะครับอา้าวเช่นนี้นั่นคือกุรอานทั้งหมดนะครับความรู้ผ่านกุรอานเขาเรียกว่าเป็นความรู้ที่ที่ถูกต้องเป็นความรู้ที่จริงพี่น้องจริงจริงจริงไม่มีข้อสงสัยไม่มีขอ้อไม่เรื่องเท็จไม่มีนะครับอาวันนี้มาอายาที่หกสิบเจ็ดลิกุลลิอมุมะตินจัลนาแนสากา หุมนักศึกษาฟ้าจะยุ่งนักในเรื่องและอยู่ในรับบิ้นนักละก็แล้วดัมมุสตَอิมَัลลอฮฺอ ل ลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลล a ฮฺ a ัลลอฮฺอ ขุมน่าสิกุ فلا ينزعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعله دام مستقيم الحمد لله ได้ความรู้พี่น้องสีเรื่องเนี่ยสเรื่องด้วยกันอายาณีสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่ง ลิคุลีอุมา tin ยาลนามันสะกะสำหรับลีแปลว่าสำหรับกุลีแปลว่าทุกๆอุมาแปลว่าประชาชาตินยาลนาเราได้ทําอัลลอฮฺได้ทําสะกะมัณสะกะพิธีกรรมสําหรับทุกๆประชาชาติประชาชาติที่ผ่านมาแล้วนะ่ะไอเราเนะี่ยเป็นประชาชาิสุดท้าย ถ้าถ้าอธิบายว่าทุกทกประชาชาติคื อ, คอที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละถ้าเจอนบีอาดัมนบีนอาอิบรอฮิมยูซุฟอีซามูซาทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดถึงกรุรานตรงนี้ไม่ได้อธิบายแต่ความหมายของมันน่ะอย่าอ่า น, นาไปว่านี่เป็นพาสเทนเลยนะทุกๆุกประชาชาติที่ผ่านมานั้นเราได้ทำามาที่เราได้กำหนดเราได้ทำเราได้กำหนดอะไรครับมันสกพิธีกรรมทางาศาสนาขึ้น แ ต, แต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคไม่เหมือนกันแต่ละยุคแต่ละยุคไม่เหมือนกันในาศาสนาที่ผ่านผ่านมาเนี่ยได้ไหมวิธีกรรมทางาศาสนาพิธีกรรมมาถึงการเชือดสัตว์ต่างๆนี่นะไม่เหมือนกันบางคนก็เชือดเพื่อนั่นเผื่อนี้เพื่อนี้เพื่อนั่ น, น, น, น, น, น, นใช่ไหมละ่ะพี่น้องสเกตนะกอนหน้านี้นะ่ะอายาที่เทไร อายา ท, ที่ผ่านมาแล้วนะพูดเรื่องนี้เหมือนกันอายาเท่าไหร่นะมันดูสิอา้าวอายาเท่าไหร่จำได้เปล่าอ่าอายาสามสิบสี่ด็นี้อายาเท่าไหร่หกสิบเจ็ดสามสิบสี่กับหกสิบเจ็ดเนี่ยเหมือนกันไหมลองดูสิเหมือนกันไหม เ, เหมือนกัน ลิคุลิอุมมติจัลนามัสกาเหมือน ไ, ไหมเหมือนเหมือนกันเลยใช่ไหมแต่สังเกตนะนะมันมีวาวกับไม่มีวาวอ่อยาย่นี้ไม่มีวาวอายาที่ผ่านมาวิลิคุลิอุมมติจัลนามัสกาพอมีวาวป้าบความหมายมันเปลี่ยนว่าเห็นไหม นี่น่ะพอเรียนทับซิ้ภาพเข้าใจพอไม่มีวาวก็คิด อ, อีกความหมายหนึ่งลีกุลลีอุมตินยาลนามัสกาสำหรับทุกๆประชาชาติที่ผ่านมาแล้วเราได้ทำเราได้กำหนดพิธีกรรมทางศาสนาขึ้นฮุมนาสิกูโดยที่พวกเขาปฏิบัติพิธีนั้นเช่นการเชือดสักด์ อายาที่ผ่านมาเนี่ยมันมี w MM JA a l i ลิ l u ม m a t i n jalna mansakah allah akbar อธิบายยังไงและทุกๆุกประชาชาติที่ผ่านมาเราได้กำหนดพิธีกรรมทางศาสนาขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้เชื่อสัตว์ในช่วงทรรมฮัจีอลัลละ์เนี่ยกำหนดนะ ให้เชื้อซาตอนทําทําหจยีเขาจะทํากุฎบานอ่ามีนั่นอายาณั่นอธิบายตรงๆเลยว่าในช่วงเดือนเดือนรุลงไฮยะพี่น้องทําหจยีพี่น้องที่ได้ไปทำไปทําหจยีอยู่ที่บ้านเนี่ยทำไงนะให้เชือดกุฎบานแต่อายาณ์นี้เนี่ยให้เชือดเหมือนกันแต่ความหมายเป็นอย่างงี้คนกาเฟตคนมุสลิมกับคนกาเฟตมีความคิดไม่เหมือนกัน คนคาเฟสเนี่ยตำหนินบีคนมุชริกีที่นครมักกาเนี่ยตำหนินบีแต่ตำหนิคนมุสลิมได้ว่าสัตว์ที่มุสลิมเชื่อสัตว์ที่มุสลิมเชื่อเน่ยเรียกว่าสัตว์เนื้อที่อะไรนะฮัลล์พอสัตว์ที่อัลลอฮ์เชื่อเขาเขาเขาตําหนิมานะถ้าสัตว์ที่อัลลอฮ์เชื่อมาถึงสัตว์ที่ตายเองอัลลอฮ์ให้ตายเองอ่ะมันเรียกว่า ฮารอมกินไม่ได้มันดูถูกอัลลอ่ะนี่ความคิดของคนมุสลิกินคนกาเฟตอธิบายอย่างนี้สัตว์ที่มุสลิมเชื่อสัตว์ที่นบีเชื่อบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอะลลพวกมันเรียกว่าสัตว์ฮาราลที่สัตว์ที่อัลลอ์เชื่อเขาว่าเชื่อนะไม่มีนะสัตวท์ที่ตายเองเนี่ย ที่ชักตายหรือว่าดิ้นมาตายที่ตกลงมาจากที่สูงตายนี่นะพวกมุสลิมมันไม่กินมาบอกเนี่ยสัสตว์ที่ฮารอมไม่ฮาราดมันดูถูกกัล้อนี่ความคิดของใครนะคนมุสลิกินคนกาฟิดนอัลลอประธานอัลกุรอานอญญายนีีมาอธิบายอธิบายว่าไงนะ ลิกุลิอุมตินจัลนามัสกาสำหรับทุกๆประชาชาติที่ผ่านมานั้นเราได้กำหนดพิธีกรรมทางศาสนาขึ้นหุมนาซิกูและพวกเขาปฏิบัติตามมันพวกเขาก็เชื่อดสัตว์นาซิกูหมายถึงเชื่อดสัตว์ถูกต้องตามหลักการที่อัลลอฮ์วางไว้สัตว์ที่ตายเองเดี๋ยวอธิบายได้ไหม ทำไมมุสลิมไม่กินสัตว์ที่ตายเองระอธิบายได้ไหมได้อธิบายอย่างนี้สัตว์ที่ตายเองเนี่ยคือสัตว์ที่ไม่ได้ถูกเชื้อเนี่ยเพราะเลือดนั้นเป็นพาหะของเชื้อโรคทั้งหมดเลยเชื่อเลือดเป็นพาหะของของของของเชื้อโรคถ้าหากว่าสัตว์ที่ตายเองโดยไม่ได้ผ่านการเชื้อแล้วเลือดไม่ไหลนี่นะเลือดไม่ไห ล, นะ เ, ล, ไหลเท่ากับสะสมอะไรไว้นะ เชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายของสัตว์และรับไปกินสัตว์ที่มีเชื้อโรคเนี่ยอันตรายกับใครอันตรายกับคนที่กินสัตว์เองสุนัตว์ที่ถูกเชื้อดโดยนางของอัลลอฮ์แล้วก็เลือดบุนพุ่ ง, อ, งออกมาไหลออกมาแล้วก็วินิจวิธีเชื้อในเบีก็สามนะให้เอามีดคมที่สุดแล้วก็เวลาเชื้อเนี่ยให้สัตว์มันได้ดิ้นให้มันเต็มที่ยิ่งดิ้นมากเท่าไรเลือดยิ่งไหลามากขึ้นเท่านั้นเนื้อมันยิ่งหวานยิ่งเนื้อกุลบาเนนืะ้อร่อยที่สุด ไม่มีสัตว์อะไรเนื้ออะไรที่อร่อยถ้ากินเนื้อกวนบานไม่มีแล้วเวนอองเนี่ยน บ, บีอธิบายฟังเลยกินอร่อยมากเลยเพราะว่าเลือดออก อ, อกลโลนแล้วก็สัตว์มันดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นเลือดไหลออกมาเลยพาหะเชื้อโรคไหลออกจากร่างของสัตว์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสัตว์ที่ตายเองโคกาเฟ่เรียกว่าอัลลอฮ์เชือ้อดระจายนะคนกาเฟนอออ่นี่อัลลอฮ์อักบารจะว่าไงดีจะว่าสติปี้ก็ได้นะ มันบอกว่านั้นสตว์ที่ตายเองอลัลลอฮ์เชือ่อสัติมุสลิมเชื่อมาว่ามันเชื่อมันเรียกว่าฮารานไอของที่อลัลลอฮ์เชือ่อมาว่าฮารอมว่านาบีอลัลลอฮ์ก็ประทานอันกูอ่านอาย่ญญานี่ลงมาให้นบีแก้ว่าไม่ใช่พระเจ้านะพี่นอ้องอ่าเะนั้นสัตว์ที่ตายเองเราไม่ทานเพรา ะ, ะไรเราสามารถอธิบายได้เพราะวิทยาศาสตร์อธิบายนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายให้ชัดเจนเลยมีเขา เอาสัตว์สองตัวนะสัตว์ที่ตายเองคือแพะที่ตายเองกับแพะที่ถูงเชื่อดำไปแขวนไว้นะเขาาวิจัยกันมาแล้วนะปรากฏว่าไอ้แพะที่ตายเองที่แขวนไว้นะสองวันนะมเมลแล้วแต่ไอ้แพะที่เชื่อดะ <The S 1> เลือดออกหมดไปแขวนไ ว, 4ว้4ี่วัน้าวันยังไม่เป็นอะไรเลยเนหะ็น <The> อย่างการเปรียนนงนี่ไงของที่อิสลามผ่านวาฮี เป็นความรู้ที่สะอาดไอคิดเองเนี่ยสะอาดไหมไม่สะอาดไม่ได้มาจากอัลลอ์ก็จะไว้นะประสบการณ์ไม่สะอาดครับแต่อะไรที่ผ่านวหฮีความรู้ที่ผ่านวหฮีนั้นเป็นความรู้ที่สะอาดที่มาจากอัลลอ์สุบฮานะวะตาลต่อมาครับเรื่องที่อ2อฟาลายูนาเจอนักฟ <f> ิลอัมริ ลายูนาซือนกัฟิลอัมรีดังนั้นอัลลอฮ์สั่งกับนบนะีดังนั้นจงอย่าให้พวกเขาโต้แย้งท่านเนี่ยโต้แย้งเรื่องนี้แหละเรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อท่านนบีอธิบายอธิบายชาัดนักวิจาศาสตร์มาอธิบายต่อเนี่ยถ้าไม่อิมานของเขาโอ้โหเพิ่มขึ้นตลอดเวลาสัตว์เชื่อับสัตว์ไม่เชื่อใช่ไมมีคนถามบุลม้ว่า เขาพูดเล่นๆกันเนี่ยนะบอกว่าสัตว์ที่ตายเองกิ น, กนได้ไหม <c oughs> ฉะนั้นพี่น้องเอาสัตว์ที่ตายเองไปให้คนกาเฟสได้ไหมไม่ได้ไปทําลายเขาอะไปทําลายสุขภาพเขาฉะนั้นสัตว์ที่ตายเองทําไงนะฝังแต่บางคนก็เอาเอาหนังมันม า, อาเอาหนังมามาหนังนี่นะสัตว์ที่ตายเองนะหนังเอามาช่ายได้ไหมได้เขาเรียกว่าดีบักเอาไป ฟอกกอนไปเข้าโรงฟอกกอนเอามาใช้เป็นเป็นประโยชน์ได้เลยนะครับเอาต่อมาครับฟาลายูนาซิออนกฟิลอัมริดังนั้นมุค่ะมาเอ๋จงอย่าให้พวกเขาคนที่ต่อต้านอิสลามคนกาเฟตคนมุชลิกน่ะโต้แย้งกับท่านในกิจการนี้ว่าฮารานหรือฮารอมฮารอมหรือว่าฮาราน สัตว์ที่ตายเองทําไมไม่ทานกับสัตว์ที่เชื่อดแล้วทานเพราะอะไรอธิบายให้คนกัาแฟฟังอย่าให้เขามาโต้แย้งท่านมันมันอะไรมันมั น, ม, นมันจำน้ด้วยหลักฐานน่ะโอ้เข้าใจเลยอัลลอฮ์เอลอิสลามยาลูวาลาอัลลาอัลเยอิสลามเป็นหลักการที่สูงเด่นมากเลยมันอยู่ที่เราด้วยนะถ้าเราอธิบายไม่เป็นมันก็ไม่เด่นถ้าอธิบายเป็นมันก็เข้าใจโอเนี่ยอธิบายให้ลูกฟังด้วยว่า สัตว์ที่ตายเองทาไมพ่อไม่กันทำไมมุสลิมไม่ทานกษัตริย์ที่ถูกเชื่อในนามของอัลลอฮ์ยิงไปเนื้อกุรบานถ้ามันอร่อยเพราะอะไรตอธิบายให้คนฟังได้นะครับอต่อมาเรื่องที่สามวะเดออีลารอบิกอัลลอฮ์นี่แต่ะละแต่ลวักแต่ละวัะวะวกในคุรานมีความหมายหมดเลยนะวะเดออีลารอบิกจงเชิญชวนดาิดดว่านะละ จงเชิญชวนนะครับพวกเขาคนที่ต่อต้านศาสนาเนี่ยเรามีหน้าที่เชิญชวนอย่างเดียวนะไปบังคับให้เขานับถือาศาสนาอิสลามได้ไหมไม่ได้บังคับไม่ได้แต่เมื่อเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยบังคับให้นามาได้ไหมได้เขียนได้ลงโทษได้นักเรียนเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่นามานี่ครูก็มีสิทธ์ตีมือบ้างอะไรบ้าง คุณพ่อกับ น, นบีสั่งให้พ่อยกไม้ตีลูกเมื่อยุสิบขวบทําไมนามาตนี่บังคับได้แต่นอนมุสลิมที่มาใช่มุสลิมเนี่ยจะบังคับไม่คาราบอิสลามเนี่ยไม่ได้ยงเด็ดขาดเลยฉะนั้นมีหน้าที่อย่างเรียววัดดาวอีเลโรบิกแต่จงเชิญชวนพวกเขายังพระผู้อภิบาลของท่านนี่พี่น้องการเชิญชวนคนให้มารู้จักอัลลอฮ์นี่เรื่องใหญ่นะ ถ้าเราไม่มีความรู้ตรงนี้นะอธิบายไม่ได้เอาวันนี้จะอธิบายเรื่องสามเรื่องนะเรื่องการเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยได้ประโยชน์อะไรเรื่องที่หนึ่งอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนก่อนอัลลอฮ์อยู่ไหนเพราะว่ามันมีอยู่สองสองอย่างนะบางคนมีความเชื่อแบบ น, นี้อัลลอ์เนี่ยอยู่ everywhere เลยอัลลอ์อยู่ทุกหนทุกแห่งกับ อีกเรื่องหนึ่งอัลลอฮ์อยู uh ่บนบัลลังของอัลลอฮ์อยู่บนชาน้านี่มันขัดแย้งกันนะเนี่ยความเชื่อที่ว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกแห่งนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ผ่านวุฮัเป็นความรู้ที่ไม่ได้ผ่านอุฮัมันมาจากอัลลอฮ์มัได้ผ่านยิบรีนมันได้ผ่านนบีมูฮัมหมัดแต่ความรู้ที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกแห่งเป็นความรู้ของมนุษย์นี้คนส่วนใหญ่เนะี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ทุกหนทุกแห่ง เชื่อแบบนี้อคติดผิดครับผิดเอ้ามาดูคุรานนะครับว่าอัลลอ์เนี่ยอยู่บนชั้นฟ้าอัลลอ์อยู่บนบันลังของอัลลอฮ์สุรอนไหนครับอายาไหนสุร้อตอฮาะที่เราอ่านมาแล้วนะอัลล์มานูอาลลอรชิตาวะสุร้อนต่อฮาอายที่ห้าลองเปิดดูสิอ่าอัลอฮ์มานูอาลลอรชิตดาวะคไม่แปลว่าอะไรครับ พระผู io, Pastor, ้ทรงกรุณาอัลลอฮ์มาในพันธสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะครับอัรลอฮ์มาแต่ว่าผู้ทรงกรุณาปราณีอัลลลอัตชีทรงอยู่บนบัลลังอัลลอฮ์อิสตาวะอันมั่นคงอัลลอฮ์สถิตอยู่บนบัลลังอันมั่นคงนี่เป็นหลักฐานจากกุรานสุรัตต์ฮะอายาที่ห้านะครับ อัลลอฮ์มานูอฺละอัลลอิตวานี่คือดัดีห ล, ลักฐานที่มาจากอัลลอฮผ่ า, านวาฮีว่าอัลลอนั้นอยู่บนบอลลังบอลลังอยู่ที่ไหนครับอยู่ในชั้นฟ้านี่คือหลักฐานถ้าไปเชื่อว่าอัลลออยู่ทุกหนทุกแห่งเป็นความเชื่อที่ขัดกับกุรานถ้าขัดกับคุรานเรียกคนกาเฟ่ดังนั้นอย่าคิดอะไรที่ขวางกับกุรานอย่าคิดอะไรที่มัน ตรงกันข้ามกับอัลกุรอานให้คิดตามอัลกุรอานคิดตามวาฮีที่อัลลอ์ส่งผ่านยิบรีนมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยยูวะสัลลัมมาดูหลักฐานจากคดีอีกอิมังบุคอรีบันทึกเรื่องนี้นะครับเรื่องว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนก็ล่สุลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมอินนัลลอฮะกาตาบากิต้าบันอัลล์ได้บันทึกนะครับกอบละอายยักลูกอลคอลก่อนที่จะสร้างสับปสิง รู้ไหมอัลลอฮ์เนี่ยสร้างเจ็ดปดรายการเนี่ยสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจรรันทร์กลางวันกลางคืนมนุษย์แล้วก็สัตว์พระสิงทั้งหลายที่อยู่บนโลกเนี่ยแปดเก้ารายการเนี่ยนะก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างโลกนี้อัลลอฮ์ท่ไห่พี่น้องนานอ่ะห้าหมืนปีอัลลอฮ์วางแผนไว้ก่อนนะสร้างก่อนอยู่ในมันทึกทั้งหมดเลยนะห้าหมืนปีแล้วก็ค่อยๆ ส, สร้างค่อยๆสร้างขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา แล้วก็อินนาระหามาตีซาบกอตว์ดอบีความเมตตาของฉันนี่นะมากกว่าความกลิ้วโกรธนี่สิฟสัดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีสิฟัตอะไรหนนะ้าที่มีแต่ความเมตตาสงสารให้อาภัยบาปของอัลลอฮ์เนี่ยมากกว่าอัลลอฮ์กลิ้วโกรธเราเอานี่ไปใช่ไหสงสารภรรยาสงสารลูกสงสารญาติพี่น้องสงสารพี่พีน้องน้องให้มากกว่าความเกลียวโกรธเอาไปใช้ الحمدulillah ต่อมาครับ <ت ص في ق> ฟ้าวมักตูบุนอินด้าูฟ้าวคอลอารชและอัลลอเนี่นบับถว่าอัลลอ์เนี่ยอยู่บนบัลลังอยู่บนบัลลังอยู่ในชั้นฟ้านี่เป็นสถานที่ของอัลลอฮ์ سبحانه และุวาตาละฉะนั้นใครที่คิดว่าอัลลอ์อยู่ทุกหนทุกแห่งนั้น <ت ص في ق> เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ผ่านวุฮีนะครับที่ไม่ท่ไม่บังบุคคลีนะเอาต่อมา อัลลอฮ์อยู่พร้อมกับเราหรือเปล่าอัลลอ์เนี่ยอยู่กับเราหรือเปล่าอัลลอ์อยู่บนชั้นฟ้าแต่อัลลอ์เนี่นะทรงเห็นทรงรู้แล้วก็ทรงได้ยินอัลลอ์อยู่กับเราตลอดเวลาแต่ว่าตัวอัลลอ์อยู่ที่ไหนข้างบนแต่ว่าความรู้ของอัลลอ์อยู่กับมนุษย์อัลล์ทรงเห็นแล้วก็รู้ความรู้ของอัลลอ์อยู่กับมนุษย์แล้วก็อัลล์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินอยู่กับมนุษย์ ดูคุณอ่านตอนที่อัลลอฮ์ส่งน บ, บีน บ, บีอะไรนะน บ, บีมูซากับนาฮิฮารูนไปหาใครไปหาฟาโร่ฟาโร่ก็อกมันใครๆก็กลัวนะคงจะกลัวบอกอะไรกันฝรั่งเศสจิตไปทิ้งระเบิดอะไรไอสหรือผ่าไม่รู้ฟาโร่ดูคนกลัวกันหมดนะ่ะน บ, บีมูซานบีฮารูนสองคนเนี่อัลลอฮ์ปลอบใจปะงัยนะ ลาตาคอฟะฮ า, ารูนมูซาเอ๋ยอย่ากลัวอินนีมาอากูมาฉันเนี่ยอยู่กับท่านทั้งสองนี่พราอ่านอัญาณนี่ปาปนี่กำลังใจมาเต็มเลยนะอินนีมาอากูมาฉันอยู่กับท่านทั้งสองอัสเหมาฉันได้ยินวาอาะอัลอฮ์ฉันเห็นนี่ไงอัลลอฮ์อยู่กับค น, คนทุกคนทุกแห่งแต่สแต่ว่าอัลลอฮ์น่ะอยู่บนบัลลังก์แต่ความรู้ของพระองค์นั้น everywhere ความเห็นต้งได้ยิน everywhere รู้ everywhere นั่งอยู่ข้างบนแต่ทีังหาได้รู้หมดเลยนี่ไงนบีมูซานบีฮารูนได้อายะนี้ไปอัลลอฮฺอัลกุบะนี่เล่ามาที่มุฮัมมัดฟังนะลาตาคอฟะอินนีมาอากรูมาอัสมาอวะรอสุลตหะมุจจำเห็นไหมสุลตหะาจะสอนอะไรเยอะมากเรื่องเรื่องเรื่องอะกิดะนะครับทีนี้ มาดูฮะดีษเลว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกแห่งน่ะไม่ใช่ความรู้ของพระองค์อยู่ทุกหนทุกแห่งอัลลอฮ์ส่งเห็นมนุษย์ทุกหนทุกแห่งแล้วก็ได้ยินทุกหนทุกแห่งฮะดิษว่าไงครับอินนากุมตาดานาสามีอันกอรีบันหัวหัวมาอากุม um แท้จริงที่ท่านขออุทิศต่ออัลลอฮ์นั่นน่ะอัลลอฮ์อยู่ใกล้ท่านแล้วก็อัลลอฮ์ส่งได้ยินและอัลลอฮ์อยู่กับท่านตลอดเวลาท่านคนนี่นะ จึงไม่กล้าทำความผิดถ้าเรานึกตรงนี้ว่าอัลลอฮฺอยู่กับเราจนนั้นนบีเราสั่งอกว่าอย่าเดินแก้ผ้าบนบ้านอย่าเดินแก้ <c oughs> ดีไหมดีครับพอเดินแก้ผ้ามาันแรกเห็นอายามแก้ทำไมเนี่ยอนุญาตให้แก้ได้อยู่สองแหงนึกซิอยู่นห้องน้ำกับกับร่วมลำนอนกับภรรยาแก้ไปเลยแต่อย่าคุยเยอะอย่าคุยเยอะ อันอยู่ในส่วมคุยได้เป่าดับบี้ยห้ามไม่ให้คุยร่วมละนอนกับภรรยากันอย่าไปคุยไปคุยยังไม I love you I love you อยู่นั่นแหละคุยทำไมใช่ไหมเพราะก็เปิดโอกาสให้อยู่2 อ, อ, อต่อ2แล้วก็พยายามให้นึกถึงอัลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮุมอจานีเป็นในไซต์ตอนวาร์จานีบาไซต์ตอนมาตอนสักวันนะให้นึกถึงอัลลอฮ์ใจเย็นๆสอนมูดอิสลามสอนดีไหม บางคนพอจะแต่งงานใหม่เนี่ยมือมือสานไปหมดแล้ ว, อ, ลวลอัออลลอากัว่าัใจเย็นๆใจเย็นๆอัลลอฮุมาจันจนบิบยตอนนบิยอนมารากันนะเห็นมเนี่ยถ้าเอาขดดีสมาอธิบายเอาดูอามาักนี่ทไมนบีเนี่ยชั้นหนึ่งจริงๆนะทำให้มุมสลิมเนี่ยใจอิมอ่มเอิบตลอดเวลาใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนมีคนคนหนึ่งโทรศัพท์ามาเล่ามฟังว่า ใจเย็นกับใจร้อนนี่นะต่างกันนะคนจะได้ให้คือมะให้มากมาันจะได้ความรู้สติปัญญาความรู้ที่เฉลียวฉลาดความรู้พิเศษเนี่ยอรรถจะให้กับคนใจเย็นๆถ้าใจร้อนรอน้วู่วามตัดสินใจพดูพ ด, พ, ดพูดพูดผิดผิดนะนะอรไม่ให้ให้คือมะแค่นั้นต้องสุขุมเรียบร้อยนั่งคิดสะเก็ถึงอรรถเยอะๆนะอรรถจะประทานให้คือมาลงมา อร่อยยิ่งใหญ่นะจะนั่นใจเรียนใจเย็นกับใจร้อนต่างกันไหมต่างกันคุณเป็นเหลือผ่านมาแล้วคนใจร้อนถูกด่ามาแล้วผมเห็นผมเห็นผมเห็นหลายปีแล้วนะ <c oughs> อ้าวในแต่ไหนนั่นวันนี้ให้ขมาที่อรรรยาระทานให้ขมาความรู้ให้กับใครก็ตามต้องเป็นคนที่ใจเย็นเย็นสงบระเเกียมแล้วก็ตั้งสติดีไม่วู่วามไม่ตัดสินใจอะไรเร็ว ถ้าจะตัดสินใจไวๆนะสาสี่รายการน่ะรีบทําเลยไม่ต้องปรึกษาใครเวลามีญาณราตายให้รีบฝังสองเวลามีแขกมาบ้านเนี่ยให้รีบจัดการต้อนรับแขกด้วยน้ําและน้าร้อนด้วยน้าชารีบจัดการเลยสามเวลามีหนี้มีศิลอย่าแช่เอาไว้รีบชายนี่เมื่อเมื่อลราสาวเราโตให้คิดหาสามีให้ลูกสาวสามสี่รายการนบะีให้รีบทําเลยรีบทำแช่ไม่ได้ เพราะยิงสังคมตอนนี้ไปไงอัลลอ์มิตรของฮารามท่านนั้นถ้าลูกเราอิหมาน้อยนะเสียผู้เสียคนหมดนะครับเรียบทําได้สามสี่รายการนะครับนอกนั้นให้ใจเย็นๆและอัลลอฮ์จะประทานฮิกมาลงมาอาทีนี้ประโยชน์จากการที่เราเรียนเรื่องเรื่องเรื่องเองตาฮ็ดนะได้อะไรอัลลอ์เรื่องเตาฮ็ดนี่ถูไหม นี่มีอยู่สามรายการนี่เป็นพุ่ออ่านทั้งหมดนะคนที่รู้จักอัลลอฮ์อย่างดีเรื่องทีหนึ่งเวลาเขาตายไปแล้วนะอัลอัมนูมินุลอาจาบิลโมอับบัดเขาจะปลอดภัยจากการลงโทษตลอดกาลอย่าลืมนี่ค่น้องหลังจากตายไปแล้วนี่นะมีการลงโทษนะลงโทษที่กูโบลงโทษที่อัลลัมบันซักลงโทษที่ทุ่งมาชาตลงโทษหมดนะ ถ้าคนนั้นตายในสภาพที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานาวูอ า, าลาแต่ตถ้าหากว่าตายในสภาพที่เขามีกาลิมาเลอีลาฮะลิละลอถูกลงโทษเหมือนกันแต่ลงโทษไม่ตลอดการหยุดบ้างลงโทษบ้างหยุดโทษลงโทษบ้างถ้ามีอามันที่ซอเลตลอดแบบนบีแบบซอลลฮีแบบชูฮาดาแบบสิน ด, ดีกีลงโทษไม่มีครับ อันเป็นน่องนึกเอาเองก็แล้วกันฉะนั้นมีเตา heat นะดีไหมดีรู้จักอัลลอฮ์นี่นะตายแล้วไม่มีการลงโทษตลอดไปแต่ถ้าตายในสภาพที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์สิถูกลงโทษตลอดอามีอยู่ข้างหนึ่งนบีเดินผ่านกุโบสองกุโบเดินผ่านเนี่ยสอาบะเดินไปด้วยสอาบะไม่รู้แต่นบีรู้คนเดียวอัลลอฮ์ตองการจะให้นบีอธิบายคนระับน่ไม่หดหยุดหยุดหยุดก่อน ท่านจะยินการลงโทษของศพสองศพที่นอนอยู่แถวนี้ไปดูดูสิใครบ้างไปเช็คดูในพิธามารู้จักปะรู้จักเขาตายตอนไหนเขาตายตอนที่เขายังไม่รู้จักอัลลอฮฺสุบฮานาหูนะวาตาละนบีก็เล่าว่าถ้าฉันนะจะขอดูอาให้คุณเห็นว่าการอัลลอฮฺลงโทษเขาอย่างไรกลัวว่าพวกคุณจะไม่กล้าฝังใครอีกต่อไปในบี่บอกเนี่ยชายสองคนในะอีกคนหนึ่งเนี่ย ตาเสภาพเป็นคนกาเป็แล้วก็ฉีเนี่ยไม่ได้รักษาสลัดกุ้สลดัสลดนี่มีไหมคนไม่มีาศาสนาไม่จะฉีเรียรา่าใช่ไหมเราก็ล่ามก็นแมนจะล่ามเรารูดซิปเพลิใช่ไหมแต่คนที่มีาศาสนานี่ยนึกนะผมน่เข้าหน้าผมขึ้นทุกทีไอ้ฉีแบบนี้เอาล้อเล่นงานเราหรือเปล่าเนี่ยผมนึกนะแทนคนไม่มีาศาสนาก็าไม่นึกเราฉีตรงไหนก็ได้ ชีแบบนั่งหรถทัวร์ข้างหลังให้เป็นงานน่ะโอ้โหว่าจะชีได้นี่ทรมานสุดๆเนี่ย น, น่ะนั่นชีวิตของคนในนิสสน า, นาอยู่อย่างงั้นแหละไปน้องกับนินทาเนี่ยเห็นไหมท่าคนที่มีาศาสนาเขาจะเป็นินทาคน น, น, น, นนินทาเหมือนกันแต่มันไม่เยอะนิดๆในหน่อยกสกิจจะเออฉันพอทีแล้วพอแล้วเล่นมาเยอะแล้วเห็นไหมแต่าศาสนาไม่มีเนี่ยอลอนรอเล่นยาวเลยไปน้องเห็นไหมเนี่ยนี่ผลจากการที่เรามีเตาอเทศนะ ใครที่ตายในสภาพที่มีกาลิมะแลาอิละิละอฮ์อขจัดชิริกได้ด้วยพอตอนตายอัลลอฮ์ลงโทษเหมือนกันถ้าบาปอื่นเขามีอัลลอฮ์จะลงโทษเขาแบบไม่ถาวรแต่ถ้าตายในสภาพที่ไม่รู้จักอลัลลอฮ์สิลงโทษแบบมุอับบัดถาวรเลยตลอดนักนะนะเรื่องที่สองครับอัลฮิดายาฟิดุญยาคนที่รู้จักอัลลอฮ์ก่อนตายไปน้องครับ อัลลอฮ์จะชี้ทางนําเขาให้เรียนสุนนะนบีเรื่องใหญ่ในไปน้องคนที่เรียนสุนนะนบีเยอะๆเนี่ยรู้ไม่ปราบอะไรได้ปราบบิดอะเพราะว่าบิดอะนี่มันแสบหูใช่ไหมไม่อยากพูดเลยบิดอะนี่โอโ้โหฉะนั้นคนที่เรียนสุนนะนบีเยอะๆอ่านทาริสกออิมามบุคารีมุสลิมสองเล่มนี่ให้เยอะนะปราบอะ ไ, ได้ได้นะปราบบิดอะเรียนเรื่องต่อใหจากกุไรานปราบชิริก เรื่องที่สามครับวาตักฟีรุจูนูคนที่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยไปน้องอัลลอฮ์จะให้การอภัยโทษแก่คนที่รู้จักเรื่องเตาเฮดเป็นอย่างดีอัลลอฮ์อัลดูดูุรอานอัลลนอามนวะลัมยัลบูอมาณุมบิุลมินอลาอิกละุลอัมนวะุมมุตะดูนี่อธิบายคุรอาน คนที่อีมานต่ออัลลอฮ์และเขาไม่ปะปนอีมานของเขารุ่ยด้วยชิริกคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาจะแยกชัดเจนนี่ชิริกนี่เตาะให้เขาแยกเขาจะไม่ปะปนกันนี่ผลบุญมีไหมมีผลบุญอะไรครับอูลอกาลาฮูมลุลอัมนเวลาตายไปแล้วเขาจะปลอดภยัยอามโนมาถึงปลอดภยัยมันจะรับการลงโทษใดๆที่กูโบมันจะรับการลงโทษที่ทุกมชาชัดรอเข้าสวรรค์อย่างเดียว แล้วก็วาหุมโมตัดูยูบนดุนยานี้เขาได้ถูกชี้ทางนําอยู่ตลอดเวลาฟังศาสนาอ่านกุรานอ่านคัดีิสมันซักฟอกหัวใจเขาตลอดเวลาให้เป็นคนที่ไม่ทําชีริกไม่ทําบิดานะครับนี่คุรานนะครับอันทีนี้อีคัดดิสหนึ่งนบีสอนนะครับบอกว่าเป็นนัหขยันบุคอลีกับมุสลิมท่านนบีสอนว่าฮักกุลไลบ้านอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ไม่ลงโทษคนที่กุ้จักอัลลอฮ์นี่นะ อัลลอฮ์จะไม่ลงโทษคนที่ไม่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์คนที่มีชีริกอัลลอฮ์ลงโทษถ้าไม่มีชีริกอัลลอฮ์ลงโทษไหมไม่ลงโทษบาปอื่นอัลลอฮ์อาจจะพยายโทษนะเช่นไปทำไปทำซีนามาเอานังหนักหน่อยก็แล้วกันอัลลอฮ์อาจจะพยายโทษให้ก็ได้เพราะคนนี้อุ้ยอิมานมันดีตอนที่มันทำก่อนอิมัมยังน้อยอยู่นะ่ะตอนนี้ผมเรียนอิมานเรียนเต่าให้ดีอะไรดี อัลลอ์อาจจะอภัยโทษในเรื่องบาปที่เ็าทำมาก็ได้แต่ชีริกนี่พี่น้องต้องไม่ติดตัวไปก่อนตายอย่าติดลมไปอย่าติดผ้าขาวไปอย่าติดตัวไปอย่าให้มีชีริกติดตัวถึงจะปลอดภัยจากการลงโทษจากอัลลอ์ในกูโบนที่ทุกมาชัดด้วยนะครับ ว่าจะเอาอิลลารบิกนี่อ่ะจงเชิญชวนคนสู่อัลลอฮ์ให้รู้จักอัลลอฮ์นะดีมหมดีมีดีมากๆเลยนะช่วยกันขอดูอ่ะต่ออัลลอฮ์ให้เราเป็นนักดาว่าที่เชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์สุบภาษิตเรื่องที่สองเรื่องที่สามิเรื่องที่สี่อินนักละอาล่าฮุดามุสติกีนิบชมนบี แล้วก็ชมที่คนที่ปฏิบัติตามนาบีด้วยชมว่าไงครับอินนากะแท้จริงท่านนบีนั้นลาลาอยู่บนฮูดาทางนำมุสตาตีมที่เที่ยงตรงแท้ๆใครรับรองครับอัลลอฮ์รับรองนบีมุฮัมมัดว่าท่านนบีนั้นอยู่ในทางที่เที่ยงตรงแล้วจานั้นเราสบายใจพี่น้องที่เราเดินตามนาบีสบายใจไหม เดินตามนาบีก็ต้องอาศัยอุลามาณั่นแหละอุลามามาชีน้นามาบอกเนี่ยทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้เรื่องอายาณีมีกี่เรื่องนะหนึ่งสองสามสี่เรื่องเอาลองแล้วกันอายาเดียวมีกี่เรื่องสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งทุกๆุกประชาชาตินั้นมีกับมีพิธีกรรมทางศาสนาคือมีมีพิธีการเชื้อสัตว์อยู่แล้วสัตว์ที่เชื้อกับไม่เชื้อเรารู้แล้ววันนี้ เรื่องที่สองอยาให้คนกาแฟทีมที่กินสัตว์ตายเนี่ยมาโต้แย้งกับท่านนบีต้องอธิบายให้เขาชัดเจนใช่ไหมถ้าหากเขาไม่เชื่อก็ปล่อยเขาไปใช่ไหมเรื่องที่สามเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์ให้รู้จักเตาให้เรื่องที่สามเรื่องที่สนบีมุฮัมมัดนั้นอยู่ในทางน้ำที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องไปสงสัยว่าเอ๊ที่นบีนำมาเนี่ถูกหรือไม่ถูกที่สงสัยที่ตัวยอดนำมาสิ ถูกหรือไม่ถูกต้องสงสัยอันนี้แชร์นำมาใ้ตัวครูนำมาใช่หรือเปล่าเนี่ยสงสัยแต่ท่านบีนำมาไม่ต้องสงสัยเลยอินนากาลอาแลฮูดามมุสตตคีมแท้จริงท่านนาบีนั้นอยู่บนทางนำที่แท้งที่เที่ยงตรงและแน่แท้แล้วสบายใจถ้าเดินตามสุนัขท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลอะลัยสัลลัมต่อมาครับอายที่เทานะ่าไหร่น و إن جادلوك فقل لله أعلم بما تعملون و إن جادلوك فقل فقل لله أعلم بما تعملون อัลลอฮ u อัลกุนี่ยอับบาศอนศอนศอนมายาท คนสอนศาสนาจะเป็นนักดาว่าไดา้ตำลิกอะไรก็ตามอัลลอฮฺสอนนะว่าอินยาดัลูกะยาดาละเปวโตวแยงมุฮัมมัดเอย๋ยถ้าพวกเขามืนคนกาเฟตคนโมชริกโต้แยงท่านโตแยงท่านนาบีนะครับทุกเรื่องละส่วนใหญ่นะมันโตแยงหมดละคนกาเฟนะตเนาะโตแยงนบีหมดเลยพี่น้องทุกเรื่องเลยนะ ลูกน บ, บีตายมันก็ด่าน บ, บีใช่หรือไม่ใช่กิลงอาญอินน่าอาตอยนากลกัฟล ล, ลบิกาวันฮรนาานอินนชาะกวัลอับมันโตแย้งน บ, บีอัลลอฮฺวะฮิลงมาวกไอคนที่โตแย้งน บ, บีระวังองจะเอะเป็นเป็นศัตรูกับน บ, บีและเป็นชาวนารกด้วยนี่น บ, บีอัลลอสอนว่าอินดาลูกแหาพวกเขามาโตแย้งท่านน บ, บีมุฮัมมัด ฟักูลดังนั้นม uh ุ hammad ในที่สุดจงกล่าวว่าอย่างนี้อาลาัลลอฮบีมาต้ามาลูนอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งที่พวกท่านกระทําถ้าอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจโตอีกอะไรอีกดาอีกให้พูด ย, นะ Allah, ยังไงนะอัลลอฮ์ให้โยงกับอัลลอฮ์เลยให้นบีโยงกับอัลลอฮ์ฟักูลม uh ุ hammad เอ๋ยจงตอบพวกเขาว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้น อาลัมทรงรู้ยิ่งบิมาตาอมาลูนที่พวกท่านทั้งหลายกระทำอยู่ฉันจะไม่โตตอบแล้วพอแล้วอธิบายให้คุณฟังแล้วคุณไม่เชื่อเชิญเราจะไม่บังคับสั่งนบีอย่าไม่บังคับใครใช่ไหมนบีอธิบายแล้วครั้งสองครั้งไม่เข้าใจก็เชิญอลัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าคุณทำอะไรกันอยู่เนี่ยเพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้น ละกุ้มดีนูกุมใช่ไหมละกุมดีหนูกุ้มวาลียดีาศาสนาของท่านท่างก็ปฏิบัติไปาศาสนาของเราเราก็ปฏิบัติของเราฉะนั้นเราจะไม่เข้าไม่ผสมในวันลอยกระทงเราก็ไม่เอาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เราก็ไม่เอาใช่ไหมเราไม่เอาของที่ม า, มาจากผา น, นาบีเนี่ยเราไม่เอาอยู่แล้วท่านละกุมดีนู ก, กุมวาลียดขีของท่านก็ท่านก็ท า, ทาทไปของเราเราก็ทําไปพี่น้องเจ้านี้ กว่าเด็กพวกเราเนี่ยจะเรียนแบบเขาที่จะกลัวตรงนี้ใช่ั้มมันมีการแต่งงานอยู่สองสองแบบนะ love before marriage and love after marriage อยู่กันก่อนท้องก่อนแล้วก็ใ น, นกากันใครทำใครเป็นพระเอกจูวั น, นีคนกาเฟกใครได้ไม่ใช่พวกดาราทั้งหมดนี่ตอนนี้เด็กมุสเลมมาเห็นลงขา่าหนังสือพิมพ์ท้องก่อนแต่งเออมันลงขาล่าเราคุยกันเต็ ม, มานะดาดก่อน ทองแล้วสามเดือนแล้วก็ น, นิก้ากันไม่เห็นมีอะไรอะ่ะเด็กมุสลิมที่มาจะฟังาศาสนาเรียกว่านี่แหละเป็นคุณธรรมชั้นสูงก็เดินตามเขาแต่กุรานอธิบายยังไงนะเลิฟต้องอัฟเตอร์เมอร์นิก้าก่อนแล้วจีบกันทีหลังนี่อิสลามแต่ชีวิตมีความสุขมากนะฉะนั้นอย่าไปจีบใครก่อนก่อนก่อนิก้านะให้จีบหลังอะไรหลังนิก้านิก้าแล้วก็จีบกันทีหลังก็จีบกันหยอกกันอะไรกัน ปหยอกกันก่อนนิกบารากัรในชีวิตไม่มีแล้วเลิกกันมากี่คู่แล้วเลิกกันมากี่คู่แล้วเกือบเกือบร้อยคู่นะเลิกไปหมดแล้วฉะนั้น Love ต้องอัฟเต r r ์แมรนิก้าก่อนรักกันก่อนตอนไหนหลังจากนิก้าแล้วถึงจะมีความสุขมีบาระกัรในชีวิตที่เราคูรกลัวตรงนี้นะครับอ้าต่อมาอายาที่เท่าไรที่69สิบเกาอลอย คุ้มบ่ายนักุ้มเยาว์มันขีแอมฟีมะคุณตุนฟีทัคทัลฟุนอัลลอฮฺย์ผู้ย่ำคุมบ่ายนักุ้มเยาว์มันขีแอมฟีมะคุณตุนฟีทัคทัลฟุนอัลลอฮฺอัลกุบะด์นี่ ายานี้สอนให้เราว่าวันเกียรม์มีจริงแล้วก็สารมีสองแห่งสารบนดุงยากับสารในโลกอะคริลแล้วก็สารไหนดีที่สุดสารอะคริสารบนนี้ซื้อได้ขณะเอาอัลตราชมาวางแล้วนะเลาเอาเงินใส่ไปสิต่ำเลย <c oughs> มาดูการตัดสินของอัลลอะฺจะนั้นคนที่พลาดถูกตัดสินให้แพ้คดีบนโลกดุงยาบนี้ ทั้งทงที่เรามั่นใจว่าเราถูกต้องนะถูกการแก้ยังมีอีกสารหนึ่งในโลกอาเิรออัลลอฮูยักษมุบายนากุมยักษุมบาว่าตัดสินอัลลอฮ์จะทรงตัดสินบายนากุมบหยนาแปลว่าระว่างกุ้มพวกท่านอัลลอฮ์จะเป็นผู้ตัดสินในระหว่างพวกท่านวันไหนครับกลัวจะหลงย่ามาลตียมในาวัน ติยมามะในวันฟื้นคืนชีพเอาเรามาตาัดสินอีกทีนึงนะฉันไอการรอตัดสินนะ่บางคนรอถึงห้ามื่นปียืนไปดิเมื่อไรอลัลลอจะเรียกฉันมาตัดสินสักทีหนึ่งจะไปนระกก็ไปแต่มันแย่แล้วถ้ายืนห0 0 0 0ืปีนะ่ะแสดงว่าแย่สุดๆอยู่บนนุญานี้ทำตัวแบบฟาโรห์จริงๆเลยแต่ถ้ายืนแค่พันปีมันก็เบาหน่อย <บ açık>ถ้ายืนแค่นามาโซฮ์ถึงอาซัก็คนที่นามาถ้าเวลาคนที่รู้จักอัลลอฮ์ก่อนตายแต่อยู่ใต้บันลังอัลลอฮ์มีอยู่เจ็ดเจเจ็ดกลุ่มหนึ่งในเจ็คนที่หัวใจผูกพันกับมัสยิดนี่ยอยู่ในใต้บันลังของอัลลอฮ์และยืนไม่นานตั้งแต่นามาโซฮ์ถึงอัสรีถ้าขวางอัลลอฮ์บนโลกดุนยาไปนี้บางคนยืนนานถึงห้าหมื่นปีบางคนยืนนานถึงพันปี ถ้าคิดพันปีนะครึ่งวันเท่าไห้าร้อปีถ้าสองชั่วโมง8ปดสิบปีเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้อยู่บนโลกดุญยามนี่ถ้าอยู่แค่สองชั่วโมงอายุแปดสิบแค่สองชั่วโมงนะถ้าทำบาปทำไมแค่สองชั่วโมงอัลลอฮฺยัครูมบายนากุมยาอุมันกิยามะอัลลอฮจะทรงตัดสิ น, นระหว่างพวกท่านทัางหลายในวันฟื้นขึ้นข้อที่พวกท่าน ฟีมากุนตุมฟีตักตัลิฟูนตักตาลีเปว็วัาแยังกั น, นเรื่องที่ไประเบิดที่ฝรั่งเศสอลอต์ตาสิตนอนเก ม, รมารตเมื่อวันศุกร์หรือมีอยู่คนหนึ่งหลังจากน้นมาวันศุกร์เจอผมจ้างมุสกินทงนำงานแย่ yeah, อย่างนี้ไปกระบุงระเบิดเขา กูบอคุณคุณใจเย็นเยนใจเย็นเย็ น, ย น, ยนบอลน้ำมันก็ถูกยึดไปแล้วไม่ใช่เหรอซาดามก็ถูกฆ่าแล้วใช่ไหยกอร์ฟีก็เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ในปาเลสไตน์ถูกฆ่าไม่รู้กี่พันอะแล้วคุณได้อะไรบ้างโอ้ใช่ใชครับครับคับครับท่านจะเล่นกันบ้างนะตกเหงาไพ่กัน <laughs> เรามาด้ข้าวข้าวความครจะเรานึกกันนะบอลน้ำมันถูกยึดอิรัก จบไปแล้วใช่ไหมล่ะประชาชนคนตายไปเท่าไรแล้วอพยพเท่าไรไปอยู่ต่างประเทศนะแต่ซีเรียก็ถูกเล่นงานตลอดเวลาแล้วก็พวกพี่น้องเราในปาเลสไตน์ถูกตายเท่าไหร่อ่ะเด็กก็ตายอ่ะที่มาว่านีคนพม่ามาเนี่ยเอาคลิปที่บ้านถูกเผามัสัิดถูกตะลานแล้วก็เอาศพนี่น้องเผาทั้งเป็นน่ะถ่ายมาโอ้โหเห็นแล้วเสียใจของเราแล้วกันนะ ญาติพีน้องเขาถูกฆ่าเต็มเลยขนมาเนี่ยที่เมืองมันเดเลฉะนั้นนี่นะแผนทั้งหมดนี่นะอย่าอยาพูดเยอะแล้กันอัลลอจะตัดสินอีกครั้งหนึ่งเมื่อไรครับในวันกี亚马คนที่ถูกฆ่าตายบนโลกดุนยาเบนี้โดยอาธรรมอัลลอจะให้อยู่ในสวนสวรรค์ทั้งหมดอินชาอัลลอยกตัวอย่างใครครับผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นคนหวีผมลูกสาวฟาโร มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งหวีผมลูกสาวฟาโร่กาลังหวีหวีหวีมันร่วงพะวงป้าพะวกอลัลลอฮ์ลูกสาวว่าเอ๊ะชื่อใครแปลกแปลกบอก อ, อัลลอฮ์น่ะผู้สร้างโลกสร้างแผ่นดินสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างใครจะใครบดบนโลกนี้เอ๊ะนี่เอาเอาใจออกห่างพ่อฉันแล้วนะพ่อฉันเป็นใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะแผ่นดินนี้ไม่ไมีขยายเจ้าพ่อก็ใจบอก อ, อัลลอฮ์ใหญ่ที่สุด ไปเล่าให้พ่อฟังพ่อก็อารมณ์ขึ้นเลยโอ้โนี่คนในบ้านเราเป็นอย่างนี้ทรยศต่อชันแล้วเลยจับครับมีลูกสามคนเอาน้ำมันต้มเดือดอแล้วก็โยนทีละคนทีละคนลูกๆเขาก่อนแล้วก็โยนแม่ทีหลังก่อนจะโยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนบอกไม่เปลี่ยนวันที่นบีขึ้นเมียรอชไปบนชั้นฟ้านาบีไปพบผู้หญิงกลุ่มนี้ พันยิบรินพ่า น, นบีเข้าไปในสวนสวรรค์แล้วไปผ่านมีกลิ่นหอมเข้ามานบีถามว่ากลิ่นหอมของใครกลิ่นมายังไงก็คนที่หวีผมลูกสาวลูกสาวใครลูกสาวฟาโรห์นะใช่ไหมถูกโยนใส่น้ำมันฆ่าทั้งที่ตัวเองยังสดๆอยู่เนี่ยวันนี้เขาอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เลยนโอ้โหเป็นคนละสมัยกันน่ะแต่าศาสนาเดียวคืออิสลาม ยังครับพี่น้องแต่ทั้งคนที่ตายถูกรังแกตายวันนี้นะกระด้วยระบบไหนก็ตามาอัลลอฮ์ะจะดูแลรักษาเขาให้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะอูวาตาลขอให้เรามีเตาให้อย่าทําชีริกอย่าทําบิดนะพี่น้องอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์และปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ให้สง่างามอิชอัลลอฮ์อัลลอฮ์ะจะตัดสินครับหลังตายนะอีกครั้งหนึ่งในวันทียาห์ كم كم อ l l a h u yaqimu b น y n a k u m yaum ก l q i ม a ต a t i fi ma kuntum อายะนี้ตอ้องการจะอธิบายว่าปัญหาที่ขัดแย้งกันบนโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์จะจัดการอีกครั้งหนึ่งในวันไหนในวันเตียมาฉะนั้นก่อนตายให้เราอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ wala t อ q b i a h w คุณอานอธิบายคุณอ่านอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ให้ปฏิบัติตามอุบายที่ผ่านนาบีแล้วก็ผ่านยิบรีตมาอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ให้ปฏิบัติตามวุบายนะครับและสิ่งที่อ AH ัลลอฮฺประทานลงมาจากชานฟ้าท่านจะตายแบบมีเกียรตินะครับอ่านมาแล้วสองสามใบยาพี่น้องสังเกตมันอ ah ัลลอฮฺลงลงท้ายว่าไงนะตักตาลีฟูนแปลว่าไรขัดแย้งกันนี่นิสัยของมนุษย์ นิสัยมนุษย์เป็นอย่างนี้แหละเป็นไงนะชอบขัดแย้งกันกับผัวเมียก็ทะเลาะกันทำไมต้องทะเลาะกันล่ะไม่ทะเลาะกันได้ไหมได้ตัวอย่างมีไหมมีนบีมูฮัมมัดซอบ้านนบีไม่เคยทะเลาะกับสามีภรรยาท่านตัวอย่างดีมีแต่เราไม่เอาอะไปเอาละครมาเป็นแบบใช่ไหมดูละครดูละครดูละครทะเลาะกับสามีทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกับลูกทะเลาะทําไมอ่ะ มันต้องอบรมการคุยกันดีๆมนุษย์ชอบตักตาลิฟูนชอบอะไรนะชอบขัดแย้งกันแล้วก็อายาที่ห0สิบที่ผ่านมาแล้วอินนัลอินซาณาลากาฟูตอนท้ายยูตอนท้ายนะแท้จริงมนุษย์นะั้นเนรคุณแท้ๆใช่หรือไม่ใช่ได้ไไดรับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ามาฟรีแผ่นดินใช่ฟรีออกซิเจนใช่ฟรีแดดใช่ฟรี อากาศเย็ยนๆชายฟรีถ้าเปิดแอร์เท่าไหร่ให้ทุกอย่างฟรีให้หูให้ตาให้จมูกให้บอดี้ร่างกายสมบูรณ์ฟรีไม่คิดเลยสักบาทเนึ่ยยังเนรคุณต่ออัลลอ์อีกเนี่ยถ้าเราอา่านสเกตตอนไทยๆของอายะกุงอ่านอัลลอ์จะเน้นนะตักตลีฟนอินนัลอินซาลกฟูดมนุษนั้นชอบเนรคุณต่ออัลลอฮ์ทรยศต่ออัลลอ์ แล้วก็มนุษย์ชอบขัดแย้งกันเองฉะนั้นคนจะเลิกขัดแย้งกันได้ก็ต้องมีศาสนาต้องมีอีมานมากับชีวิตเอาต่อมาอายะห์ที่70นะครับอัลัมต้อัลัมอัลลอฮฺย์แกลมมะฟิสส์มะอีวะล้อร์ดอินนาลิกะฟิคิทับ อินน่าซาลิกะละลอฮิยาซีร์อ a ลล a ฮฺอั a ก a บัน h ัลเลาะห์ชื่นใจนิดอ a ลลอฮ์เล่าตัวเองอัลลอฮ์น l a มีสีฟันอย่างนี้แหละอัลลัมต้าอัลลัมอันน้าลอฮฺยาลุมมาฟิสส์มะอีวอาอลกฟกิบ อินนั้น ذلك على الله يسير الله أكبر ตะอัลลัมแปลว่ารู้อัลัมตะอัลลัมอัลลอฮบอกกับนบีว่าท่านมุฮัมมัดเพราะกุรอานประธานอาไคร่นะให้าากับนบีก็สอนนบีมันมารู้เปล่าถ้าเราอาาร่านกุรอานอัลลอฮ์จะบอกเราเองรู้หรือเปล่าที่อาา่านกุรอานวะเนี่ยคืงรู้ไหม อัลลัมตาลัมท่านมุฮัมมัดหรือผู้อ่านไม่รู้หรอกหรือว่าอันอัลลอฮแท้จริงอัลลอ์ยะอัลลัลมทรงรอบรู้ยะอัลลัมอัลลอฮ์ทรงรอบรู้มาฟิสมาที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดอัลลอ์รู้หมดเลยพี่น้องท่านฟ้าเนี่ย เรื่องเล่นลับเต็มไปหมดเรารู้ไหมไม่รู้ไม่รู้สักนิดนึงเราเนี่ยบนชั้นฟ้าเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนแล้วมารีกาอยู่เท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้แล้วมาริกาเนี่ยแล้วก็บันดาบ น, นนาบีที่ตายอยู่บนชันฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะมารกอาดามอยู่ชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งชั้นที่หกนบีมูซาอย่างนี้เป็นต้อนอ่ะ ถ้าบนชานฝานี่เป็นองค์มีเรื่องร้นลับทั้งหมดเราไม่รู้แต่ Allah รู้ถ้าไม่เราสบายใจเออเออ Allah รู้แล้วก็อีกวันอารดีและแพนเดินเนี่ยเป็นองมุสลิมทั้งหมดคนในโลกนี้ประมาณเจ็ดพันล้านล l ะ a h รู้หมดว่าแต่ละคนนั้มีอาชีพทําอะไรมีเมียกี่คนมีลูกกี่คนมีบ้านกี่หลังรู้หมด แล้วก็ในใจของคนแต่ละคนอัลละฮ์รู้หมดเลยแม้แต่อะไรนะพืชที่ร่วงลงมาจากต้นไม้เนี่ยเม็ดไหนที่งอกแล้วไม่งอกอัลละฮ์รู้หมดอัลลอฮฺอักบัเราเคยนับเป่าหายใจเราในกี่ครั้งมีคนนับแล้วก็เข้าออกในวันล้วกี่ครั้งรู้แล้วแต่เราเองไม่รู้นัาอัลลอฮ์ Allah, รู้หมดสิ่งอยู่ที่ยันชันฟ้าและแผ่น ด, ดิน ทีนี้รู้ตอนไหนครับอินนาฟิซาอินนาจาลิกฟิกิตาแท้จริงนั่นอยู่ในบันทึกของอัลลอ์อยู่แล้วบันทึกนี้นะก่อนที่จะสร้างโลกห้า0มืนปีเพราะต้องนึกแบบนี้จาอิมามันจะเพิ่มขึ้นนะต่อมาครับอินนาจาลิกอัลลอฮิยาซีแท้จริงภารกิจนั้น เรื่องดูแลโลกดูแลชั้นฟ้าแผ่นดินยาซีรุนแปลว่าอีซี่ง่ายมันจะลำบากเลยสักนิดหนึ่งมัต้องลงแรงลงทุนด้วยอีซี่ยาซีรุนแปลว่าง่ายสะดวกยาซีอยาซีดแปลว่ายุสรอบแปลมือมือมือขวายาซีดยุสรอมือขวาอยู่เออมือมือมืออะไรมือท้ายยุมนามือขวา ง่ายได้บริหารมนุษย์อรรถมาจะนอนเนี่ยอรรถมาได้ง่วงนอนเนี่ยอรรถมาอลัลลอฮฺอัลกุบัดีเนี่ยพอเร า, อ, าอ่านอาย่านี้เป็นไงครับอลัลลอฮฺอักบะดและบันทึกทั้งบนนะครับว่ากีตามมาถึงลาฟิลมาฟูสอยู่ในบันทึกจาอะไรนะแผ่นจารึกที่ถูกรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีกุรานอยู่ในแผ่นจารึก ความรู้ของมนุษย์นี่ั้งหมดอยู่ในะแผ่นจารึกหมดแล้วนี่่าทำให้อิมานเราเพิ่มไหมอิมานเพิ่มครับอัลลอฮฺอัลบัท่านอิบนอับบาสนี่อ่านจากตับซิดอิบนกาซิดอธิบายว่าฟีกิตาบินหมายถึงฟีล่าหินมาฟูซอยู่ในบันทึกที่ถูกจารึกเอาไว้อยู่ใน แผ่นจารึกที่ถูกรักษาอะ้เราหินมาฟูพะเราได้ยินคำนี้บ่อยใช่ไหมเราหินมาฟูดราคุณมาฟูจะม่เป็นต้นอยู่ม น, นชั้นฟ้าทั้งหมดนะครับอาอายาสุดทา้ายครับพี่น้องวายะบูดู น, นมินดูนิลลามาลัมยุนัสบิล bih s u l มา n a و م ละ ي ุมบิ به علم وما للظالمين من نصير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ัลฮัมดูนิลยคน้ อ, อญญายานี้ดีมากเลยอ่ะดูคำแปลกับวายาบูดูนมินดูนิล่ลยสำหรับพวกที่สักการะบูชาอื่นจากอัลลอฮ์นี่ไม่จะพูดถึงกลุ่มเรานะ <c oughs> กลุ่มคนฝั่งนู้น <c oughs> คนที่เป็นกาเฟตมุชลิกยิูดี น, นัส ร, รอนีมุมนาฟิกีนที่เคารพ สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นยังไงครับแย่หรือไม่แย่ดูครับมาลำอยูนั ด, ดิลมาแปลว่ามาลำแปลว่ามิได้หรือไม่ได้ยูนั ด, ดิลประทานบีฮีสุลตอนแปลว่าหลักฐานสุลตอนแปลว่าหลักฐานหลักฐานนี่มีสองอย่างนะหลักฐานที่มนุษย์หามากับหลักฐานที่ผ่าน วะฮีที่ผ่านจิบรีนผ่านนบีหลักฐานนี้ต่างกันนะต่างกันไหมต่างหลักฐานที่มนุษย์คนคๆนคนค น, คนไปหามาไปนองกับหลักฐานที่ผ่านอัลลอฮ์ผ่านจิบรีนผ่านผ่านวุวะฮีอันไหนดีกว่ากันที่ผ่านวะฮีดีกว่าเพราะมันสะอาดที่สุดชัดเจนที่สุดไม่มีข้อสงสัยส่วนความรู้ที่ผ่านมนุษย์เนี่ยเอาแน่ไม่ได้ ไม่เอาแน่ไม่ได้ที่ผ่านมนุษย์เนี่ยกับผ่านอัลลอฮ์ต่างกันนะฉะนั้นของที่ผ่านอัลลอฮ์เรียกว่าซุลตอลอะไรที่ผ่านมาจากอัลลอฮ์เรียกว่าหลักฐานซุลตอลยิ่งใหญ่มากเลยทีนี้คนที่ไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เขาไม่ได้รับหลักฐานมาจากอัลลอฮ์ให้เคารพเลยอัลลอฮ์ไม่จะสั่งให้เคารพนะกระแลฝงฝ้าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมอ้าวไปน้องสังเกตนะ ถ้าไม่คารพอัลลอฮ์ก็คารวอารมณ์ใช่หรือไม่ใช่ไม่มีอารมณ์มีอิละกับอะไรนะมีอะไรเขาเรียกอะไรออารมณ์เขาอะไรนะอารมณ์อารมณ์เรียกว่าอะไรนะฮาว่าฮาว่าแปลว่าอารมณ์คนที่ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์เรียกว่าปฏิบัติตามอารมณ์อารมณ์คนก็จะอารมณ์หมดจะเป็นอารมณ์ตัวครูก็ตามเถอะ ถ้าคำสั่งนั้นไม่ได้มาจากอัลลอฮ์เป็นอารมณ์ทั้งหมดถามว่าอารมณ์เนี่ยพาถึงอัลลอฮ์ไหมไม่ถึงครับแท่ถ้าวาฮีความรู้ที่ผ่านวหฮีพาเราถึงอัลลอฮ์เลยถ้าความรู้ที่ผ่านคนไม่ได้ผ่านนบีความรู้นั้นไม่ถึงอัลลอฮ์ความรู้ที่ผ่านนบีผ่านวาฮีผ่านยิบรีนถึงอัลลอฮ์สุดท้ายอะเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ทีนี้อัลลอ์เตือน วยายะอับดูนามินดูนินแล้วพวกที่สักการะบูชารูปจเวตอื่นๆนอกจากอัลลอโยนอัลลอทฺทิ้งไปเอารูปจเวตมาเอาต้นกล้วยมาเอาอะไรนะดวงอาทิตย์มาดวงจันทร์มาเอาแม่น้ำคงคาที่ทดูกาก็อยเนี่ย บ, บ, บาบทาวัวด้วยสารพัดนี่ที่อื่นจากอัลลอฮน่นะอัลลอบอกว่าหลักฐานจากฉันไม่เคยประทานให้เลย คุณทำได้ยังไงฉันเป็นเจ้าของโลกอ่ะฉันสร้างคุณมาแล้วคุณไปกราบสิ่งอื่นได้ยังไงไม่มีหลักฐานมาจากอัลลอ์เลยเอาต่อมาว่ามาไดซาลาฮุมบิฮิอินมุนอิลมุนแปลว่าอินมุนนะความรู้ความรู้ตรงนี้เหมือนความรู้ที่มาจากปัญญาคนปัญญาก็รับไม่ได้คุณจะไปไปเรียนมาเิอะเอาไปกราบสิ่งอื่นไปนกราบดวงอาทิตย์ต้องใช้ปัญญาดูสิ ไม่ผ่านอัลลอฮ์นะเอาอ้นมลเอาโน้ตเลชความรู้ที่มนุษย์คิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮ์พอใจปะไม่ได้พอใจเลยแค่นั้นสุลตันเป็นความรู้ที่ผ่านวาฮีส่วนไหนมลความรู้ที่ผ่านปัญญาคนไม่เหมือนกันจะเอาปัญญามาใช้หรือเอาสุลตันกับอัลลอฮ์มาใช้ไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์รับกันไม่ได้ถ้าใช้ปัญญาจริงๆรับไม่ได้เลยไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ ผมนึกถึงมานาอบุลฮัสซันมนาอบุสันสอนดีขอเวลาอินดีถึงห้านาทีเข้าจะเข้านนบีไหมในอินเดียมีที่นูราบุดีนอ่ะไ่ใช่ที่ที่ทยาเ ย, ยะมัสยิดน่ะเขาใส่ใส่กับโอ้ยใส่ไว้แล้วก็ยาคนน้นเนี่ยสีเหลืองเขาเข้าทิ้งเสียเสียเงินอ่ะสาสิบรูปียี่สิรูปีห้าสิบรู ป, รปมีมีมีห้องหลายห้องอ่ะ ไข่กุญแจหรอกไขอีกไข่อีกโอ้โหสามสี่ชั้นน่ะมีอยู่วันหนึ่งกษัตริย์กษัตริย์อีเดียนี่นะสั่งให้ลูกน้องไปเชิญพระเขาไปเยี่ยมกษัตริย์วันนั้นกำลังถือพระเขาออกมาเนี่ยก็เจอผู้เรานั่งกับเนียนที่มัสยิดเนี่ยเขากำลังสอนวิชาฮะดีสอยู่เด็กนักเรียนเป็นพัน ไม่มีใครยืนให้เกียรติกับพระเขาเลยคนที่ถือเขาไปเนี่ยก็โมโหแล้วอะไรเนี่ยเรียนหะดีสแล้วฉันถือเขาเนาบีมาดูสิมันไม่ยืนให้เกยียรติพระเขาเนาบีเลยไปถึงก็ไปร้องให้ไปฟ้องกษัตริย์เพราะว่านักเรียนที่เรียนวิชาหะดีสพร้อมกับโต๊ะครูด้วยไม่ยืนให้เกียรติกับพระเขาของเนบี กษัตร์ก็เรียกอุลามาคนที่สอนฮะดีที่ที่หนึ่งว่าที่มัสยิดยาเมียที่ที่โอนอที่โอนเดลีเรียกมาถามนูนถามนีแเราก็ถามคำสุดท้ายว่าเออฉันท่งเด็กของฉันไปเชิญพระเคารของนบีมาเดินทางพวกคุณทำไมพวกคุณไม่ยืนให้เกียรติกับพระเคารนบีต็คุณนี่ก็ใจคอไม่ดีงานนี้จะผ่านหรือเปล่าถูกฆ่าแน่งานนี้ตอบดีนะ มีอยู่สองสาเหตุที่ฉันไม่ยืนและไม่ให้ลูกศิษย์ยืนให้เกียรติเพราะหนึ่งพระคำ ข, ของนบีเนี่ยมาจากนาบีจริงหรือเปล่าฉันไม่รู้ถ้าหากว่าพระคำนี้เป็นคำของนบีจริงท่านก็ทําผิดผิดยังไงครับท่านต้องเดินไปหาพระคำมาใช่ให้พระคำเดินไปหาท่านต่อบีไห ว่าข้าวนาบีอ่ะนี่คุณเอานาบีเดินมาหาคุณเหรอคุณเป็นอะไรนบีใหญ่กว่าคุณใช่ไหมเป็นทูตของอัลลอฮ์ใช่ไหมคุณให้พระข้าวเดินไปหาคุณคุณทําถูกอะ่ะโอ้โหเจอที่มันแสบไปจนหัวใจอ่ะข้ัตริย์ังงงเลยอ่ะพูดได้ยังไงวะเห็นไหมเอาเรื่องเรื่องที่สองของที่มาจากนาบีชัดๆนะมีไม่ต้องสงสัยเลยเอาเป่า บอกมีหรือมีห้องถามว่าห้องสมุดของท่านนั้นมีหนังสือฮัดดี้อิมาลบุคอรีไหมบอกมีค่ะให้อุลมาไปหยิบมาพอหยิบมาอุล玛คนาั้นก็เปิดเปิดเปิ ด, เ ป, ดเปิดฮัดดี้บอกว่าไม่อนุญาตให้ผู้ชายนั้นใส่ทองเนี่ยใครสงสยัยไหมไม่สงสัยเลยมาจากใครนะมาจากนาบีถูกต้องเลยบนศีรษะของกรรษัตริย์มีอะไรทองใช่ไหม มังกดนะ่ะท้องเลยนี่นนะกษัตริย์ตอบไม่ได้อ่ะก็เรียกอุลามาที่อยู่ข้างๆกษัตริย์ที่มีเงินเดือนคนละแสนสองแสนเนี่ยเองทำไมไม่บอกฉันฉันทำผิดดาแรกเลยเห็นไหมนี่วิธีปราบไปได้ปราบชีริตแบบนิ่มๆพี่น้นองฉะนั้นถ้าหาว่า เขาของท่านนาบีถ้าเป็นเขานาบีจริงตรงนั้นนะที่ที่ที่ทยามิมัสลิที่อนันเดลีเนี่ยนะกษัตริย์ต้องเดินมาหาเขาแต่หาว่าท่านให้เขาเดินไปหาท่านท่านดูถูกนบีหรือเปล่าโอ้โหนี่วิธีปราบชีริกพไปลองแค่นั้นนี่นะว่าไม่นี่ ด, ดูอาญาเนี้ยวายะบูดูนามินดูนีล่ลยใครที่ไปบูชาอื่นจากอัลลอฮ แค่ไปบูชาอบดเบี๋ยเนี่ยแ ค, แค่เค้าอย่างเดียวอธิบายชัดไหมชัดสติปัญญาก็รับไม่ได้หลักฐานจากอัลลอฮ์ก็ไม่มีมาให้กราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไอ้โมลเป็นความรู้ที่มนุษย์คิดนี่จากกษัตริย์คิดนะ่ะผิดไหมผิดสุนอนความรู้ผ่านนาับดุีมีไหมผ่านอัลลอฮ์มีไหมไม่มีอัลลอฮ์ไม่เคยสั่งให้เค้ากราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แม่แต่อารมณ์ตนเองอย่ากราบนะ เชื่ออารมณ์ตนเองกับคำสั่งอัลลอฮ์อยู่เดียวกันจะเชื่อยังไงโหแเราต้องแยกแยะให้ออกนี่อารมณ์นี่คําสั่งต้องเชื่อใครครับต้องเชื่อคําสั่งเอาอารมณ์ทิ้งครับคุณอ่านจบแล้วนะอายะสุดท้ายว่ายาบูดูนามินูนิลลามะลัมอยู่นัสซิล bih سلطانا وما ليس لهم به علم วามาลิโรมีนามินนาซีดโรมเลมแปลว่าผู้ที่ประพฤติ ช, ชั่วคนที่คิดชั่วทําชั่วโดยไม่มีวาฮีโดยไม่ใช้ความรู้ที่ผ่านวาฮีนั่นเป็นคนชั่วหมดเลยเห็นยังนี่ยิงเรียนยิงอร่อยยิงยิง เ, ยยงเอ้ยฉะนั้นชายอารมณ์ตัวเองได้ไหมไม่ได้ถึงว่านาบีนวามาย้ำที่กูอานิลฮะว่านาบีไม่เคยพูดตามอารมณ์เลยอัลลอฮ ดารัเตอร์จิบรินคุมตลอดเวลาทีนี้วามาลิลอรีมินและสําหรับผู้ที่ประพฤติช่วนั้นมินอซีดไม่มีผู้ช่วยเหลือใช้ใครพอช่วยถ้าคิดเองซอเลมเองใช้ความคิดตัวเองใช้ความคิดตัวครูคนนั้นตัวครูคนนี้ไม่ได้ผ่านวะฮีอลัลลอฮฺจะไม่ช่วยเหลือคนประเภทนี้ทั้งโลกดุนยาและอาคีรอ ด, ด้วยนะ سبحان الله ุ م ما وبحملك شُلَى إلَه إلَّا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته